ทั้งโปรเจกเตอร์จอทีวีขนาดใหญ่และ w i ไฟความเร็วสูงสอบถามและสำรองพื้นที่การใช้งานโทร0923189887หรือที่แฟนเพจ RMU TT Innovation and OLED g e Center ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ชั้น7ศูนย์การค้าบางซื่อจังชัน้น RMU TT Farm Shop ยินดีด ต, นต้อนรับค่ะ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 เรื่องราวของสะพานห้องครัวที่เราเนี่ยนะคะจะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นช่วงของโกลเม็ดลุยเข้าครัวนะคะช่วงแรกช่วงที่2เป็นโกลเม็ดเกรดเสริมครัวและช่วงสุดท้ายโกลเมเล็ดเกรดไทยครัวนั่นเองนะคะกับเรื่องราวของทั้งเคล็ดลับต่างๆมากมายในการเข้าครัวเรื่องของการตกแต่งนะคะห้องครัวต่างๆให้ถูกหลักฮวงจุ้ยด้วยแล้วก็ให้มีความทันสมยัยหรือว่าเป็น ระเบียบเรียบร้อยในหันหน้าที่จะเข้าไปทําอาหารนั่นเองและช่วงสุดท้ายก็คือการทําความสะอาดค่ะพอเราทําทอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานเรียบร้อยแล้วทีนี้ช่วงสุดท้ายนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของการทําความสะอาดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในห้องครัวต่างๆนะคะกระเบื้องผ น, นังนะคะหรือว่าอุปกรณ์ครัวที่เป็นโลหะประเภทต่างๆเราก็มีวิธีทําความสะอาดมาฝากกันแน่นอนค่ะ อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เองก็เช่นกันเรื่องราวของสัพันธ์ห้องครัวที่เรานามาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นั้นนะคะก็มีทั้งสาระดีๆแล้วก็มีประโยชน์มากมายนะคะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้นำไปประยุกใช้กันอย่างเช่นเคยนั่นเองเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆจากทางสถานีกันก่อนค่ะแล้วเราจะกลับมาติดตามเรื่องราวในช่วงแรกของรายการกันกับกลเม็ดลุยเข้าครัวค่ะ รอชูอ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 ฉันลังเลออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคย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 A pen. ช่วงแรกของรายการกลเม็ดครัวไอเดียนะคะสําหรับในช่วงนี้เราเข้าสู่ช่วงของกลเม็ดลุยเข้าครัวนั่นเองกับเรื่องราวนะคะของการหาเคล็ดลับต่างๆนะคะที่เป็นทางลัดช่วยให้การทําอาหารหรือว่าช่วยให้การปรุงอาหารเนี่ยสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะเคล็ดลับคู่ครัวค่ะทางลัดง่ายๆนะคะช่วยในการทําอาหารให้เร็วขึ้นที่เรานํามาฝากกันนะคะ ก็เอาอกเอาใจคุณแม่บ้านหลายๆคนเลยนะคะที่อาจกำลังจะมองหาวิธีในการแกะสลักผลไม้หรือว่าวิธีการขูดเนื้อผักนะคะแล้วก็การคั้นน้ำผลไม้ไว้ดื่มกันวันนี้ค่ะก็เลยนำบทความนี้นะคะจากสนุก .com มาบอกเล่าให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองอนำไปปรับใช้กันดูทางเรื่องของอการทำอาหารด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีเคล็ดลับอะไรกันบ้างนะคะที่ทาให้อาหารนั้น เสร็จเร็วมากขึ้นแล้วก็สะดวกรวดเร็วสําหรับคุณแม่บ้านอย่างแรกเลยก็คือไมโครเวฟค่ะช่วยแกะเปลือกข้าวโพดได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดแน่นอนค่ะไมโครเวฟนี่แหละค่ะช่วยแกะเปลือกข้าวโพดได้ง่ายขึ้นนะคะหากคุณผู้ฟังซื้อข้าวโพดมาใหม่เนี่ยเรามักจะต้องมานั่งแกะเปลือกออกทีละเปลือกนะมันจะทําให้ยิ่งเสียเวลาใช่ไหมล่ะคะดังนั้นเราแนะนําให้คุณผู้ฟังนะคะนำข้าวโพดเนี่ยเข้าไปในไมโครเวฟค่ะแล้วก็อบ แบบทั้งเปลือกเลยนะอบจนเปลือกข้าโพดนะคะแห้งสนิทแล้วก็นำออกมาเขย่าแรงๆเท่านี้ค่ะฝักของข้าวโพดเนี่ยก็จะหลุดออกจากเปลือกที่อยู่ภายนอกได้อย่างง่ายมือแล้วก็รวดเร็วสุดๆเลยละค่ะต่อมาอย่างที่สองนะคะคุณผู้ฟังกับกระมังสแตนเลสช่วยปลอกเปลือกกระเทียมได้อย่างง่ายได้ กระเทียมเม็ดเล็กๆค่ะหากใช้ปริมาณหลายๆเม็ดเนี่ยย่อมทําให้เสียเวลาในการที่เราจะต้องมานั่งแกะนั่งปลอกอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะคะนะคะทำให้บางทีเนี่ยการปรุงอาหารหรือว่าการทําอาหารเนี่ยมันล่าช้าออกไปทีนี้เราก็เลยมีวิธีนี้มาแนะนําให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังค่ะก็คือให้คุณเนี่ยนำกระเทียมนะคะประมาณที่ต้องการมาใส่ลงในกระมังสแตนเลสหลังจากนั้นก็นะคะให้นํากระมังอีกใบามาประกบ ลงแล้วก็เขย่าค่ะเชคเลยเช็คนะคะกระมังเนี่ยหลายๆครั้งแรงแรงค่ะเพียงเท่านี้เปลือกกระเทียมก็จะหลุดออกจากกันนะคะหลุดออกจากเนื้อของกระเทียมนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้เราสะดวกต่อกันนำไปประกอบอาหารแล้วล่ะค่ะ ต่อมาอย่างที่สามนะคะคือการขูดชีสให้ง่ายดายขึ้นแบบว่าไม่มีการติดขัดเลยทีเดียวเพราะว่าหลายคนเนี่ยคงจะแับเหนื่อยใจแล้วก็ท้อใจเวลาที่อยากจะได้ชีสที่เป็นฝอยๆนะคะเอาไว้รับประทานนะคู่กับอาหารหรือว่าเอาไว้โรยหน้าอาหารแบบนี้น ะ, ะแต่ว่าเวลาที่จะมาขูดชีสกันทีเนี่ยก็เหนื่อยแสนเหนื่อยน ะ, ะแม่บ้านหลายคนเนี่ยใช้เวลาขูดชีสนี่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของด้ามขูดที่ล้างออกได้ยากจริงไหมล่ะคะ อีกทั้งขูดแล้วเนี่ยมันไม่ลื่นง่ายเหมือนเวลาที่แบบเ อ, อ่อขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ขึ้นมือนะคะมันมันไม่แบบไม่คล่องแบบนี้นะคะแนะนำให้ฉีดน้ำลงไปนะคะที่ด้ามขูดก่อนเพื่อให้น้ำเนี่ยเป็นตัวสร้างการออหล่อลื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะขูดชีดได้โดยไม่เกิดปัญหาการติดขัดแถมยังทำให้ง่ายต่อการล้างทำความสะอาดภายหลังอีกด้วยค่ะ เรามาดูกันที่ข้อ4บ้างนะคะกับการคั้นน้ำมะนาวน้ำส้มได้ง่ายขึ้นด้วยไมโครเวฟนั่นเองค่ะก่อนที่คุณผู้ฟังจะคั้นน้ำมะนาวหรือว่าน้ำส้มนะคะให้คุณเอาผลไม้เหล่านั้นเนี่ยไปอบในเตาไมโครเวฟประมาณ15 2 0ถึงวินาทีก่อนเพื่อให้ความร้อนนะคะช่วยลดปริมาณของคาร์โบไฮเดทให้น้อยลงไปได้เท่านี้เนี่ยก็จะช่วยให้คั้นน้าผลไม้นะคะได้ง่ายแล้วก็ได้ปริมาณน้าที่มากขึ้นแล้วล่ะค่ะ เคล็ดลับข้อสุดท้ายของเรานีฮะในช่วงนี้กับข้อที่5การขูดเนื้อขิงนี่ะด้วยที่ขูดชีสแทนการสับถ้าต้องการที่จะสับขิงให้ละเอียดนะคะสามารถทําได้ง่ายมากโดยการที่ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็ไม่ต้องเสียแรงสับเลยทีเดียวเพียงแค่นําขิงค่ะไปแช่ในตู้เย็นนะคะให้แข็งระยะ1ก่อนแล้วก็นํามาขูดด้วย ที่ขูดอนเนกประสงค์นะคะหรือว่าที่ขูดชีดเนี่ยแหละเพียงเท่านี้ก็จะได้เนื้อขิงนะคะที่แบบละเอียดเหมือนสับแล้วล่ะค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับวิธีการที่เราหยิบมาแนะนํากันนะคะในวันนี้เป็นเคล็ดลับคู่ครัวนะคะที่เหมาะสําหรับการทําอาหารของแม่บ้านยุคใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเตรียมอาหารมากนักวันนี้ก็เลยนําเรื่องราวนี้ละคะ่ะมาฝากกันนะคะห้ามพลาดที่จะเอาเคล็ดลับต่างๆนี้ไปลองประยุกต์ใช้นะคะคุณก็จะได้เป็นคุณแม่บ้านยุคใหม่คุณพ่อบ้านยุคใหม่ด้วยเช่นกันคะ่ะ ช่วงหน้านะคะเรื่องราวของกลเมตรเกล็ดเสริมครัวเราจะมาจัดครัวหวานๆนะคะให้กับบ้านเนี่ยได้มีกลิ่นอายของคอทเทนนั่นเองจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังช่วงหน้าค่ะ เธจะยอมจะยินยินและฟังฉันสักหน่อยบางวันที่ไม่เจนจะไม่เธอต้องเงียบเงาบ่ยไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครๆที่อยากไปคไดิดอะไรก็อยากให้รู้เอาไว้ก่อนนั้นถ้าจะทําทําอะไรเธอใจถึงสปอนตอนนี้ถ้าจะทําทําอะไรสนใจ t ค่คิดถึงฉันเอาไว้ และเธอยังเป็นเธอคนเดิมๆคนที่ง้อไม่แก่งแค่คำคำเดียวเป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกก็อยากจะสื่อจะบอกแต่เธอผู้รอดไหมก็ขึ้นเนมืนแหงไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาด มันลมก็หลารั่วอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนมพิราบแค่คิดถึงจำแค่นั้นฉันก็ทาบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาแน่แน่เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดสายเรนไปหาแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้ สู่ช่วงที่2ของรายการกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้อย่างที่เอได้บอกเวลาว่าเราจะมาจัดห้องครัวหวานๆในบ้านกลิ่นอายคอทเทจกันนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาขยายความกันดีกว่านะคะคุณผู้ฟังจะได้เข้าใจกันได้แบบง่ายๆแล้วก็ลองคิดภาพตามนะคะว่าการตกแต่งห้องครัวหวานๆแบบนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าบ้านคือวิมานของเราะคะ่ะแล้วก็เราเนี่ยจะเติมอะไรเข้าไปก็ต้องเลือกในแบบที่เราชอบเพราะเวลาที่เราอยู่เราก็จะได้ มีความสุขนะคะห้องครัวเองก็เช่นกันเวลาที่เราเลือกเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการตกแต่งที่ เป็นไอเดียของคุณเองความชอบของคุณเองนะคะเนรมิตให้ห้องครัวธรรมดาเนี่ยกลายเป็นห้องหวานหวานกลิ่นไอคอทเทจก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสไตล์คอทเทจนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศทางฝั่งตะวันตกเน้นความเรียบง่ายเข้าถึงธรรมชาตินะคะการตกแต่งภายในส่วนใหญ่เนี่ยเน้นเฟอร์นิเจอร์โบราณที่จะดูวินเทจนิดนิ ด, นดแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถูกนํามาปรับให้ดูทันสมัยขึ้นแล้วก็น่าดูแบบว่าตื่นเต้น ะะไปกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมากมายเพราะว่าเขาจะมีความน่ารักนะะมีความหวานทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีส่วนไหนกันบ้างนะคะคอเทจทันสมัยนั้นนะคะการเลือกของตกแต่งที่ให้กลิ่นอายแบบยุโรปนะคะสะท้อนความสวยงามของสไตล์คอเทจไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ของแต่งครัวแบบโบราณ น, นะคะอย่างเช่นเครื่องครัวแล้วก็ถ้วยชามเซรามิกมาช่วยเติมเต็มบรรยากาศนะคะอันอบอุ่นให้แบบว่า มีความวอร์มมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ห้องครัวนั้นดูทันสมัยอาจจะเพิ่มเป็นผ้าเช็ดมือนะคะลายที่เป็นแบบลายดอกเล็กๆเพิ่มความที่เป็นวินเทจเข้าไปอีกแล้วก็นอกจากนี้นะคะผนังเหนือเคาน์เตอร์เนี่ยก็บุด้วยกระเบื้องสีขาวติดราวสำหรับแขวนอุปกรณ์หยิบใช้ได้สะดวกแล้วก็ยังดูน่ารักกุกกิอีกค่ะทีนี้เราก็จะมีการเสริมจุดเด่นให้ห้องครัวเนี่ยด้วย ตะแกรงนะคะที่เป็นเหล็กฉีกงดงามไปอีกแบบหนึ่งค่ะความหวานแล้วก็ความลงตัวของคอรเตสแบบนี้นะคะให้ทั้งความอบอุ่นแล้วก็ความหรูหราการตกแต่งห้องครัวให้มีรายละเอียดของวัสดุไม้ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ห้องครัวเนี่ยดูอบอุ่นแล้วยังดูหรูหราอีกด้วย เรามาลองออกแบบเคาน์เตอร์ห้องครัวขนาดเล็กนะคะที่เหมาะสำหรับคอนโดแล้วก็บ้านที่มีพื้นที่จำกัดแขวนราวให้ดูน่าใช้งานเสริมด้วยตะก้าหวายค่ะเพียงเท่านี้ก็ได้ห้องครัวที่มีกลิ่นอายแบบคอเทจแล้วละคะ่ะ และสำหรับองค์ประกอบสำคัญนะคะในการตกแต่งบ้านให้มีกลิ่นอายของความเป็นคอสเทสนั้นสิ่งที่แทบจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเฟอร์นิเจอร์โบราณลองหยิบตู้หลังเดิมนะคะที่เคยอยู่ในห้องเก็บของมาวางเฉดใายในบริเวณห้องครัวภายในตู้น ะ, ะก็อาจจะเป็นแบบว่ามีสไตล์วินเทจนี่มาผสมด้วยอย่างเช่นวัสดุที่เป็นแก้วลายดอกต่างๆนะคะนาฬิกาโบราณก็สวยเก๋ไม่แพ้กติกาคะ่ะ และด้วยความที่เป็นคอสเทจนะคะที่มีทั้งความอบอุ่นแล้วก็ความหรูหรานั้นดีเทลก็ค่อนข้างที่จะอ่อนหวานอยากให้ห้องครัวเนี่ยดูอ่อนหวานเหมือนสไตล์คอสเทจลองหยิบภาชนะนะคะที่เป็นถ้วยชามโบราณลายดอกเนี่ยออกมาตกแต่งแบบง่ายๆจะช่วยเปลี่ยนห้องครัวธรรมดาๆของคุณค่ะให้กลายเป็นมุมโปรดแล้วก็น่ามองยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยนะคะ นี่คือการตกแต่งห้องครัวนะคะสไตล์คอรเทจความอ่อนหวานนะคะความอบอุ่นนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมนะคะสำหรับมุมห้องครัวให้ดูมีความน่ารักนะคะแล้วก็มีความที่น่าเข้าไปทําอาหารนั่นเองนะคะสำหรับมุมโปรดมุมนี้กับเรื่องราวของการตกแต่งห้องครัวค่ะช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังเรื่องราวในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกับเรื่องราวของ การทำความสะอาดห้องครัวแล้วก็เครื่องครัวต่างๆมากมายวันนี้ค่ะเอจะมานาเสนอในเรื่องราวของวิธีการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องกันะจะเป็นอย่างไรนะคะมีขั้นตอนและวิธีการแบบไหนช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันค่ะศูนย์ผลิตและบริการวิชาการผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกลเม็ครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ เ, เรื่องราวของการทำความสะอาดห้องครัวค่ะที่เอเด็กเกนลนเวลานะคะ ว, ว่าเราจะมาทำความสะอาดพื้นกระเบื้องกัน อย่างแรกเลยที่เราจะต้องพูดถึงในเรื่องของการทําความสะอาดก็คือเรื่องของวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็เครื่องทุนแรงต้องเรียกว่าอย่างนี้แหละนะคะเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้เรานั้นทําความสะอาดพื้นกระเบื้องเนี่ยที่มีคราบต่างๆนะคะได้สะอาดหมดจดแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยทีเดียว ถ้าบ้านของคุณผู้ฟังนะคะเลือกที่จะใช้กระเบื้องในการตกแต่งบ้านทั้งปูพื้นปูผนังนะคะแม้ว่ากระเบื้องนั้นจะทำความสะอาดได้ง่ายในตัวของมันเองแล้วแต่ว่าบางครั้งบางคราวนะคะก็อาจจะเกิดรอยเกิดคราบได้ วันนี้ก็เลยนำไอเดียนี้หามาให้ได้ลองทาความสะอาดกันนะคะแบบไม่ต้องเสียง mm. เงินซื้อน้ายาอาศัยของที่มีอยู่ในบ้านเนี่ยแหละค่ะทั้งในครัวแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันที่มาลองอทำความสะอาดกันดูนะคะแล้วก็รับรองว่าได้ผลอย่างแน่นอน อย่างแรกกันเลยดีกว่านะคะกับน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเพื่อนคนสําคัญเลยค่ะที่ช่วยในยเรื่องของการทําความสะอาดนะคะให้ไร้คราบอย่างหมดจดซึ่งน้ำส้มสายชูเนี่ยนะคะสามารถทําความสะอาดคราบกระเบื้องง่ายๆโดยนําน้าส้มสายชูค่ะเทลงไปในขวดสเปรย์นะคะฉีดลงไปบริเวณที่เป็นรอยคราบทิ้งไว้สักครู่เดียวค่ะจากนั้นเนี่ยก็ให้ล้างออกด้วยน้ําอุ่นนะคะคราบสกปรกเนี่ยก็จะหายไป รอยขีดข่วนนะคะที่บนกระเบื้องเนี่ยก็จะจางลงค่ะต่อมานะคะคืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องน้ำนั่นเองเนั่นก็คื อ, อยาสีฟันให้ป้ายยาสีฟันค่ะลงบนรอยคราบนะคะแล้วก็นำแปรงสีฟันเก่าๆมาขัดแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าทำพื้นให้สะอาดค่ะ มาถึงวัสดุชิ้นต่อมากันบ้างนะคะกับมะนาวพื้นกระเบื้องนะคะที่มีคราบสนิมมะนาวเนี่ยกำจัดคราบสนิมบนพื้นกระเบื้องได้อย่างง่ายดายแค่บีบมะนาวลงไปนะคะให้ทั่วกับรอยคราบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักประมาณ10นาทีจากนั้นก็นำแปรงสีฟันเก่าค่ะมาขัดคราบต่างๆนะคะมะนาวเนี่ยไม่ทำร้ายผิวกระเบื้องแล้วก็ไม่เกาะให้เกิดคราบเพิ่มค่ะ มากันถึงอีกหนึ่งพระเอกนะคะของการทําความสะอาดบ้างนั่นก็คือเบกกิ้งโซดานะคะถ้าคราบบนพื้นกระเบื้องนะคะที่เพิ่งจะเกิดได้ไม่นานไม่ค่อยฝังแน่นเนี่ยเพียงแค่โรยเบกกิ้งโซดาให้ทั่วคราบแล้วก็ล้างทําความสะอาดแค่นี้ก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแต่ถ้าคราบฝังลึกนะคะแล้วก็คราบที่เกิดขึ้นนานแล้วเนี่ยให้ผสมเบกกิ้งโซดากับน้ําเปล่าเล็กน้อยนําไปไป้ายที่คราบทิ้งไว้นะคะสักครู่หนึ่งทําความสะอาดด้วยน้ําเปล่าแล้วก็ผ้าสะอาดค่ะ ทีนี้เราลองมาดูการผสมผสานวัสดุเหล่านี้กันบ้างนะคะกับเบกกิ้งโซดาผสมกับน้ำส้มสายชูพลังจัทวีคูณขนาดไหนนะคะให้โรยเบกกิ้งโซดาเนี่ยลงไปให้ทั่วพื้นกระเบื้องค่ะจากนั้นก็นำน้ำส้มสายชูนะคะเท ล, ลงในขวดสเปรย์แล้วก็นำมาฉีดลงบนเบกกิ้งโซดาที่เราได้ทำการโรยเอาไว้ปล่อยให้ส่วนผสมทั้งสองเนี่ย เกิดแบบว่าเซตตัวกันนะคะจนเกิดฟองสักครู่หนึ่งแต่ว่าอย่าให้นานจนเกินไปค่ะคราบสกรปรกเนี่ยอาจจะกลับมาได้ง่ายใช้แปรงนะคะมาขัดเอาคราบสกรปรกออกเช็ดน้ำยาบนพื้นออกให้หมดถูทำความสะอาดพื้นอีกหนึ่งรอบเพียงเท่านี้ก็สะอาดแล้วก็สบายใจแล้วละค่ะ มาดูีกหนึ่งตัวช่วยกันบ้างนะคะตัวช่วยสุดท้ายกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์การผสมนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยใน1นส่วนสีถ้วยตวงแล้วก็ผสมน้ํำส้มสายชูนะคะหนในสองถ้วยตวง ถ้าสกรปรกมากเนี่ยก็เพิ่มลงไปอีกค่ะปริมาณน้ำอุ่นนะคะอยู่ที่ 1.5 กันลอนเพิ่มน้ำมันหอมระเหยที่ชอบไปนะคะประมาณ 5-10 หยดแล้วก็คนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันค่ะ น, นำไปถูพื้นจะช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเทรียได้นะคะแต่ดอกจันเลยค่ะคุณผู้ฟังถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวนะคะควรหลีกเลี่ยงสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นพิษต่อแมวนั่นเองค่ะ และนี่คือวัตถุดิบต่างๆที่เรานำมาะะทำความสะอาดพื้นกระเบื้องไม่ว่าจะเป็นทั้งในห้องครัวห้องน้ำในบ้านทำได้หมดเลยนะคะแล้วก็วัสดุเหล่านี้นหาได้ง่ายๆจากในห้องครัวของเรานั่นเองค่ะ วันนี้หมดเวลาของรายการกลเม็ดครัวไอเดียกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันได้ใ ห, หม่ในสัปดาห์หน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้เอละรายการต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ